หนึ่งร้อยเก้าสัตว์จะต้องเที่ยงแท้เป็นนิยตตธรรมและมีหนึ่งเดียวแต่ถ้าผู้ใดยังไม่เคยมีโรคุตรธรรมมาก่อนในชาติก่อนก็เป็นอันหมดหวัง นั่งหลับตาทำสมาธิให้ตายยังไงก็ไม่มีทางได้พบโลกุตระธรรมเพราะยังไม่เคยมีความจริงที่เป็นโลกุตระธรรมมาก่อนส่วนโลกียธรรมนั้นก็ไม่แน่เลยว่าจะระลึกเอาความจริงของโลกียธรรมเดิมของตนขึ้นมารู้มาเห็นในพระวังนั้นได้หรือไม่ เพราะโลกียรำอย่างไม่เป็นนิยตาธรรมอย่างไม่ใช่ธรรมะที่เที่ยงแท้การหลับตาทำสมาธิจึงเป็นการอยู่ในฝันของคนฝันแท้ผู้ยังไม่มีนิยสตาธรรมจึงไม่แน่ว่าจะได้ความจริงจากการหลับตาทำสมาธิหรือไม่ เพราะเป็นแค่โลกิยธรรมยังเป็นธรรมะที่ไม่เที่ยงแท้โดยเฉพาะยังไม่ใช่โลกุตรธรรมจึงไม่มีคุณสมบัติขั้นนิยตธรรมสำหรับเจ้าชายสิทธทาทาร์พระองค์อาศัยอดีตจริงปรารภธรรมะจริงที่อยู่ในอดีตแต่ก็เป็นธรรมะที่พระองค์มีมาแล้ว บรรลุสำ์มาก่อนเป็นโลกุตรธรรมจริงแท้เป็นนิยตธรรมมาแล้วจึงมีพุทธธรรมในอดีตที่มีมาก่อนจริงซึ่งในยุคนี้ยังไม่เคยมีใครมีมาก่อนและไม่มีใครจะมีแบบนี้นอกจากพระองค์เท่านั้นที่ได้สร้างและสั่งสมมาเองจริงเป็นความจริงแล้วพระองค์เดียวยุคนี้ เพียงแต่ในขณะที่เรากำลังพูดถึงนี้คือยังเป็นเจ้าชายสิทธัศถะแม้จะได้เป็นนักบวชมาถึงหกปีแล้วก็เถอะพระองค์ก็ยังเป็นแค่พระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้อาศัยการระลึกปรารภธรรมะผ่านคืนส5บห้า่ำเดือนหกอันสำคัญยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า